ใช้ใจที่เป็นธรรมชาติในธรมธรมดาธรรมดารู้ตัวสบายๆเมื่อเห็นใจเนดะ้เปลี่ยนแปลงใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนะมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดก็มีความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ไปตรึงความรู้สึกให้นิ่งให้มันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ ก็ดูมันทำงานเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทุกอย่างเป็นของชั่วคราวฝึกจนใจมันยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งในชีวิตเรานี้เป็นของชั่วคราวถ้าใจยอมรับความจริงตรงนี้ได้ความทุกข์จะหายไปเยอะมากเลยเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เรารัก ใ่เราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวสิ่งที่เรารักคนที่เรารักก็เป็นของชั่วคราวสูญเสียไปนะเราก็ไม่หวั่นไหวไรู้สึกธรรมดาเวลาเราต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีอย่างบางช่วงเนยะพวกเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเขาก่ อ, ก, อการร้ายระเบิดในเมืองเอารถมาระเบิดโน่นนี้เราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลย แต่เราเดือดร้อนเมื่อปีกลายจำได้ัหมมันบ้านเมืองวุ่นวายมองไม่เห็นทางออกเลยเนาะเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปทุกอย่างทั้งความสุขทั้งความทุกข์มาแล้วก็ไปเหมือนเหมือนกันหมดนะถ้าใจยอมรับได้ว่าความทุกข์ก็เป็นของโชคราวเหมือนกันนะเวลามีความทุกข์ขึ้นมาใจไม่กังวล ใจเข้มแข็งเอาเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างเข้มแข็งปรากฏการในชีวิตเราดูว่ามีมากมายเอาเข้าจริงก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่หรอกปรากฏการที่กระทบกระเทือนเรานั้นก็คือความพลัดพรากจากสิ่งที่เราชอบการเจอสิ่งที่เราไม่ชอบหวังแล้วก็ไม่ได้อย่างที่หวังอยากแล้วไม่ได้อย่างที่อยากมีอยู่ไม่เท่าไหร่หรอก เรื่องราวที่สำคัญสำคัญในชีวิตเราเข้ามากระทบจิตใจเราถ้ามันรู้ความจริงว่าตัวอย่างชั่วคราวความทุกข์ตรงนี้มันจะหายไปสติปัญญามันแก่กล้าขึ้นไปอีกถึงวันหนึ่งมันรู้ความจริงที่ลึกซึ้งประณีตที่สุดเลยคือตัวจิตนี่แหละคือตัวทุกข์ตัวนี้ยากที่สุดเลยนะ ถ้าเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ได้จิตจะปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางจิตตัวเดียวจิตก็ปล่อยโลกทั้งโลกเลยเพราะว่ามันคือศูนย์กลางของโลกสภาวะที่จิตปล่อยวางจิตไปแล้วเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนนะเป็นอิสระไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งไดนะ้ไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งได้ ทั้งดีทั้งชั่วทั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งเหล่านี้มีจริงๆนะกำลังรอคนจริงที่จะไปเห็น <c oughs> ถ้าขราวาสไม่รู้จักธรรมะศา ส, สนาของเราจะหายไปรู้แต่เรื่องทำทานถือศีลนั่งสมาธิมันไม่เข้าถึงหัวใจของศาสนาพุทธ ไปฝากทุกอย่างไว้กับพระนะพระใกล้จะสูญแล้วพวกเรานี่แหละต้องเรียนเรียนให้รู้เรื่องอริยสัจให้ได้รู้วิธีสมถะเป็นยังไงวิปัสสนาเป็นยังไงจนใจเราเข้าถึงธรรมะจริงๆต่อไปอาจจะไม่มีพระสมมตุติอย่างหลวงพ่อหนี้เรียกว่าพระสมมตุติใส่เครื่องแบบสมมุติ เพวกเราจะเป็นพระจริงๆได้แต่ถึงชุดหนึ่งก็อันตรธานนะรัฐธานไม่มีสั ญ, ญลักษณ์ค่อยๆกลืนค่อยๆหมดไปทางว่างต้องใช้เวลาอรูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อนะว่าใช้เวลาสุขงอมนะหลวงพ่อเคยถามท่านผมจะทำยังไงให้มันพัฒนามากกว่านี้ ถามเวลาเจอครูบาอาจารย์จะถามอย่างนี้ถามหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมถามหมดถ่านจะตอบเหมือนเหมือนกันนะมันต้องใช้เวลาเหมือนผลไม้ต้องรอเวลาสุกงอมถ้าเอาผลไม้ดิบๆไปเก็บมาละใจร้อนเอามาบ่มพันบอกไม่หอมไม่หวานฉนเวลาที่พวกเราพานายอย่าใจร้อนนะอดทนน สิ่งนี้ต้องทนมากเลยแต่ถ้าเราทนแล้วเราพานาเป็นเดือนสองเดือนเราก็เริ่มเห็นผลตามลํำดับไปใจเราก็มั่นคงแน่วแน่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นเราขยันมากขึ้นศรัทธามันมากขึ้นวิริยะมันก็มากขึ้นแต่เบื้องต้นต้องทนเอายังไม่มีศรัทธาหรอกทนลองปฏิบัติ ด, ดูท่านบอกให้กล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดใช่ไหม ไม่ได้บอกให้ศรัทธานะเพราเขาไม่ศรัทธาแต่ให้เขาลองดูเถิดแล้วอเขาลองแล้วเนี่ยเขาเห็นผลทุกเขาน้อยลงทุกเขาสั้นลงชีวิตเขาปลอดโปร่งโล่งเบาขึ้นจริงๆนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตนะจิตใจไม่หวั่นไหวมีความสุขอยู่ได้ท่ามกลางความทุกร้อนทั้งหลายทั่วโลกเนี้เม่อศรัทธาก็เกิดเมื่อศรัทธาเกิดแล้ววิริยะก็เกิดขยันภาวนา วิริยะขยันภาวนามากๆสติสมาธิปัญญาก็แก่กล้าขึ้นสติสมาธิปัญญากแก่กล้าเต็มที่อริยามรรคก็เกิดเนี่ตอนเบื้องต้นยังไม่มีศรัทธาต้องทนองคนพวกเราที่เข้าใจแล้วเราก็ทำหน้าที่ได้แค่ชวนพึงกล่าวกับผู้อื่นว่าให้มาลองดูเถิดลองภาวนาดู เขาาวนาเป็นนะก็จะรู้จักว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมพระสงฆ์มีจริงๆ ใ, ใจอย่างเคารพแน่นแฟ้นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมใจถึงขนาดนี้แล้วก็อยากประกาศธรรมะของท่านออกไปไม่ใช่เพื่อให้คนมาเคารพพระพุทธธรรมสงฆ์นะประกาศออกไปเพื่อให้เขาได้ประโยชน์ได้รับความสุขบ้างอย่างที่เราได้มาแล้ว ใ, ใจมจะรู้สึกอย่างนี้นะใจจะเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาไม่ใช่ไปประกาศธรรมะเพื่อให้มีชื่อเสียงเพื่อราบยศสรรเสริญต่างๆจะประกาศธรรมะนะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนจำนวนมากนี่คือปณิธานของพระพุทธเจ้าที่มอบให้สาวกมาสาวกกประกาศ ไปเรื่อยๆสังคมโบราณมันไม่ค่อยเปลี่ยนสาวกก็ทำหน้าที่ยืดเยื้อมาได้เป็นพันๆปีมาถึงวันนี้สังคมเปลี่ยนหมดแล้วตั้งแต่เกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมสังคมเปลี่ยนอย่างรวดเร็ ว, รวทุกอย่างเปลี่ยนหมดพระบางทีก็ปรับตัวไม่ทันเหมือนกันพวกคารวาติต้องมาช่วยแล้วละมาพนานาะขยันเอาให้รู้แจ้งเห็นจริงนะ ชาตินี้ไม่ต้องอะไรมากหรอกเอารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจก็พอแล้วพอไม่เกิดแล้วล่ะไม่ยากหรอกนะไม่ใช่เรื่องยากเกินไปถ้ารู้วิธีนะแล้วขยันพอทนดูซ้ำแล้วซ้ำอีกทนก็ไปเบื้องต้นก็ถือศีลห้าไว้ก่อนศีลห้าพอแล้วทุกวันฝึกในรูปแบบแล้วก็ดู เจริญสติเจริญปัญญาอยู่ในชีวิตธรรมดานิ่งแยกรูปแยกนามให้ได้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นความสุขทุกข์เคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นกุศลอกุศลโลภโกรดหลงเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกมากเข้ามากเข้าจิตมันก็รู้ความจริงกายนี้ไม่ใช่เราความสุขทุกข์ไม่ใช่เราความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราตัวเราไม่มี ตรงนี้ถ้าเทาถึงพระรัตนตรัยนะแน่นแฟนในพระรัตนตรัยแล้วเคยมีนะมีคนขอทานนะเป็นโลกเรือนนะเห็นคนไปที่วัดมากๆากพุทธเจ้าเทศอยู่เข้าไปที่วัดบ้างก็มีคนเนได้ไปขอทานไปแล้วเอ๊ะตอนนี้คนยังตั้งใจฟังพุทธเจ้าไม่สมควรจะขอทานตอนนี้นี่มารยาทดีนะ ดีกว่าพวกที่หลวงพ่อกําลังเทศแล้วควักมือถือมาถ่ายรูป อ, <c oughs> อีกพระเจ้าอย่างเทนอยู่แกก็เลยนั่งอยู่ต่อเดี๋ยวให้เลิกเทศแล้วจะได้ขอทานอนะไรเงี้ยฟังไปฟังไปนะั้นได้พระโสดับันพระเจ้ า, าวันนั้นท่านก็เจาะจงจะเทศคนคนนี้แหละเทศรอว่าเมื่อไหรแกจะมานนรอแกมาแล้วก็เทศให้ตรงใจแกแกนั่งฟังฟังฟังไปไม่ได้โลภ ไม่ได้อยากได้มรกผลอยากมาขอทานแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาก็นั่งฟังฟังด้วยใจธรรมดาบารมีเต็มเจอพระพุทธเจ้านะคนเจอพระเจ้าไม่ใช่บารมีเต็มข้างเดียวนะพวกสวยสุดยอดก็มีนะอย่างเทวทัตไม่ควรเจอพระเจ้านะเจอแล้วลำบากหลายคนถูกแผ่นดินสูบไป คนนี้พอได้โสดาบันแนละ้วก็ได้อาหารได้อะไรบ้างกับพระอินน่ะมีจริงๆนะไม่ใช่มีแต่ลูปปั้นพระอินเนี่ยอยากลองจริงเลอที่แกจะเคารพแน่นแฟนในพระรัตนตรยัยอยากทดลองใจพระอินทร้ก็มาบอกว่าลองว่าพูะพุทธเจ้าสักคำสิอยากได้สมบัติอะไรจะให้ ไม่ว่าไม่ว่าพระธรรมว่าพระสงค์ไม่ว่าว่าอะไรว่าพระอินเธอมันมิจฉาทิฐนะิเราไม่เชื่อเธอหรอกพระอินทร์น่ะโดนตอบว่านะดีใจดีใจนะเพราะพระอินก็ได้ธรรมะเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นไม่รู้พระอินทได้ยังพระอินทรมาได้ธรรมะตอนพระอินจะใกล้ตายตันได้พอตายแล้วก็เกิดเป็นพระอินอีก พระอิน์เขาเหาะขึ้นไปประกาศว่าเนี่ยอัศจรรย์จริงๆเลยสาวกของพระพุทธเจ้านะเคารพพระพุทธเจ้าจริงๆเลยติดศีลบนให้ว่าสักคำหนึ่งก็ไม่เอานะให้เงินเท่าไหร่ก็ไม่เอาพวกพระพระู้สึกพระจะได้ยินไปบอกพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกเห็นแปลกเลยก็เรื่องธรรมดานะธรรมดาสาวกเป็นอย่างนั้นนะที่เข้าถึงทำแล้วรักพระพุทธเจ้านะรักเคารพเลย ใครให้ดา่ดาด่าไม่ลงเลยแล้วใจเนี่ยไม่มีความผยองลําพองกับพุทธเจ้าสักนิดหนึ่งก็ไม่มีเลยนี่หลวงพ่อยังสอนพระหลวงพ่อเลยก่อนกินอาหารนะบอกหลวงพ่อเคยเล่าเล่าให้เขาฟังตั้งแต่หลวงพ่อบวชวันแรกเลยไปบินธบาตมาเนยะได้อาหารมาเนี่ยไม่ใช่แค่พิจารณาอาหารนะ สอนตัวเองด้วยอาหารเนี่ยได้มาเพราะคนเขาเคารพในพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้เคารพเรานะเราเป็นใครมาจากไหนเขาไม่รู้เขาเห็นเราแต่งเครื่องแบบของพระเจ้าเขาเคารพพรพุทธเจ้าเขาให้ทานเรามาเพราเราเลี้ยงชีวิตอยู่ได้เนี่ยพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธคุณที่มองเห็นเลี้ยงสาวกมาจนทุกวันนี้ได้เนี่ยสอนตัวเองนะ งั้นเราจะต้องซื่อสัตย์ต้องกระตันอยู่กับพระพุทธเจ้าอะไรที่ท่านห้ามเราจะไม่ทําอะไรที่ท่านให้ทําเราจะทำํำสอนสอนตัวเองตั้งแต่บันบวชเลยทุกวันเวลากินข้าวสอนสอนสอนอย่าอยู่กุฏิไม่ได้พิจารณากุฏิอย่างเดียวว่าอยู่ไม่ใช่เพื่อสนุกสนานอยู่เพื่อมีที่มุงบงังหลบแดดหลบฝนหลบสัตว์ร้ายอะไรต่างๆไม่ได้พิจารณาแค่นั้นพิจารณาต่อไปอีก กุฏินี้ได้มาเพราะคนเขาเคารพหนพระพุทธเจ้านีสอนตัวเองอย่างนี้นะหลวงพ่อเนี่ยจะรักพระพุทธเจ้าใจมันซับซึ้งนะซับซึ้งว่าานาแต่แตเด็กมันเห็นคุณเห็นประโยชน์ของธรรมะงั้นพวกเราภาวนานะวันหนึ่งเราจะรักรักพระพุทธเจ้าเคารพมากเลยแต่จะไม่ได้เคารพแบบรูปเคารพจะเคารพแบบซับซึ้งถึงใจเข้าถึงใจ จะมีความรู้สึกนะว่าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าจมีความรู้สึกอย่างนั้นความรู้สึกเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่กันเป็นลูกกันเป็นเนื้อเดียวกันจะรู้สึกค่อยๆฝึกนะวานาเราพบว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ถึงพ่อแม่ในชาตินี้ตายนะเราก็ยังมีพ่อมีแม่เรามีพี่น้องคือพระสาวกทั้งหลายด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องกัน เราพบบ้านที่แท้จริงเมือเรากลับบ้านเราหลงทางไปทั้งไกลพ่อเราพยายามจุดตะเกียงไปแขวนไว้บนยอดไมนะ้ให้เราเห็นว่าบ้านอยู่ทางนี้นะเราก็นาวนาะเดินตามถึงว่าหนึ่งเรากลับกลับบ้านกลับมาบ้านของเราเอาส่งกันบ้านต้องรักษานะ ศึกษาแล้วก็ขยันภาวนาอย่าขี้เกียจหลวงพ่อไม่รู้ว่าพระจะอยู่ได้นานแค่ไหนศานะ ส, สนาต้องอยู่ให้ได้ก็มาวันนี้ภาวนามันมันงงๆค่ะงงแล้ว <c oughs> ทําไงเมืม่อช้าโมหะมันก็เยอะก็เฉยๆโมหะเยอะ <c oughs> ไม่ใช่เฉยๆโมหะเยอะรั่วมีโมหะอ๋อใช่ค่ะโ ม, ม, มหะก็ไม่ใช่จิตนะไม่ใช่เรานะ โมหะเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ใด้รู้เฉยเฉยหนูรู้สึกมันไม่ค่อยดินน้นรนไม่ดิ้นรนนะแต่ไม่ได้ยอมจำนนแล้วหนูยอมจำนนหรือเปล่าดูสิแต่หนูรู้สึกันทำไมมันเฉยเฉยอ่ะหายใจด้วความรู้สึกตัวยิ้มหวาน ยิ้มเราก็ให้ใจมันก็ยิ้มไปด้วยหน้าก็ยิ้มใจก็ยิ้มแย้มใจคลี่ออกใจคลี่ออกนะใจจะมีสมาธิขึ้นมานะพา<ต>ใจสมาธิเกิดนะใจมีความสุขใจก็เกิดสมาธิสมาที่เกิดนะขันก็แยกมาดูต่อไปผมก็อขอกันบ้า น, นสามเดือนสามเดือนขอเป็นสามเดือนเลยเหร อ, <c oughs> อก็ทําไปเองมีอะไรต้องนั่นหรือเปล่าคะ อันนี้เป็นตัวที่หลอกเรานักปฏิบัติทุกคนโดนหลอกจะต้องเจอครูบาอาจารย์ถามทําไงจะดีวันนี้หรือถามตัวเองทุกวันเลยตื่นขึ้นมาวันนี้จะพาวนางไงให้มันดีคิดว่าจะทํำยังไงจะทํำยังไงในสมองเราเนี่ยจะติดกับคําว่าจะต้องทํำยังไงไม่ได้ทําอะไรหรอกรู้อย่างที่มันเป็นแต่ว่าถามว่าห้ามได้ไหมไม่ได้ มันเป็นทุกคน่ะเป็นทุกชั้นทุกภูมิเลยนะพระนาคาตื่นขึ้นมาก็วันนี้จะพรวนานไงดีก็พาวนาไปโอ้ถ้ท่าจะดีท่าจะดีพัานนแบบนี้แต่เอ๊ะไม่ใช่ว่ะเอ๊ะก็คิดต่อทำยังไงดีทำงไ <laughs> ทำงก็ผิดแต่ไม่ทำผิดมากกว่าทำไปแล้วเรารู้ว่าผิดรู้จักสิ่งที่ผิดรู้จักสิ่งที่ผิดนะถึงวันหนึ่งมันปิ้งสิ่งที่ถูกขึ้นเอง สิ่งที่ถูกหาไม่ได้หรอกมันปิ้งขึ้นมาเองสนุกสนุกธรรมะอา้าลุงพ่อให้ไปดูลมค่ะแล้วก็ไฝึกดูไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่แบบว่าเหมือนเมันเคริ้มไปเรื่อยไม่ห้ามไม่ห้ามเคลิ้มก็เคลิ้มนะทีเรารู้รวมจิตรวมลงไปเคริม้มไม่ห้ามแต่ไม่ให้ขาดสติดีเดียว แ้วเวลาเคลื่มเวลาจะออกก็อย่าไปดึงแรงค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาเคลื่อนมาอยู่ที่กายก่อนค่อยๆ อ, ออกมาถ้าดึงพรวดออกมาเลยปวดหัวนะเราต้องมีความชํานาญในการเข้าในการทรงอยู่ในการออกฉะนั้นมันเคลื่มไปไม่เป็นไรจิตมันรวมแต่ว่าพอออกมาแล้วนะก็มีสติรู้สึกกายรู้สึกใจ จิตได้ไปพักผ่อนจิตว่า ม, มีแรงถ้าจิตไม่รวมเลยจิตไม่มีแรงรู้สึกว่าแรงเยอะขึ้นแต่ว่าตอนที่มันเคิมเนี่ยไม่รู้ว่ามีแรงเอ้ยตรงนั้นเป็นลงไปพักผ่อนจะไปรู้อะไร<า>เราพ่อเคยเป็นนะถามหลวงปู่ไปเล่าหลวงปู่ว่านั่งภาวนาอยู่ใจมันเห็นความกังวลว่าเปียกฝนเนะี่ยเดี๋ยวจะต้องเป็นวัด พอรู้ทันว่าใจเป็นกังวล น, นะความกังวลดับจิตมันก็รวมไปเคลิ้มๆ ล, ลงไปหปลปูอกว่าจิตมันเข้าสมาธิไม่ห้ามมันหรอกถ้ามันรวมลงไปเ ข, นะนนงเข้าสมาธิแล้วมันมีสามช้อยอันหนึ่งเข้าสมาธิแล้วพักผ่อนพอก็ออกกลับออกมาจเจริญปัญญาข้างนอกอันที่สองจเจริญสติสมาธิปัญญาแก่รอบแล้วรวมลงไป จิตจะไปตัดกิเลสข้างหนนะมีแบบหนึ่งรวมลงไปแล้วไปเจริญวิปัสสนาภายในรมแล้วสามแบบเนะนี่คยค่อยๆดูไปต้องมีแรงไม่มีแรงพานามไม่ได้นะน้นเวลาจิตเข้ามาพักเนี่ยจิตถึงได้แรงจิตต้องพักจิตต้องหยุดจิตถึงจะมีแรงไม่เหมือนร่างกายต้องเคลื่อนไหวแล้วมีแรงเนี่จิตเราเคลื่อนไหว สราปภาไปเรื่อยๆก็ไม่มีแรงสิไปฝึกต่อไปมันมันแข็งๆนิดหนึ่งคำว่านี่รู้สภาวะอย่างที่มันเป็นนะรู้ไปเรื่อยๆเราจะเรียนไปเป็นครูเขาต้องเรียนให้ละเอียดแต่คนที่จะเรียนไปเป็นครูเขาเนี่ยเวลาจิตเห็นสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ย มันไม่แค่รู้เราละวางไปเฉยๆเกิดดับเฉยๆไม่พอมันจะต้องรู้ว่านี่คือสภาวะอะไรสภาวะนี้มีหน้าที่อะไรถ้าสภาวะนี้ทำหน้าที่ทำงานของมันแล้วจะมีผลอย่างไรแค่นี้ก็ยังไม่วางนะมันต้องไปเห็นจนถึงว่าสภาวะนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรพอเห็นว่าสภาวะนี้มีอะไรเป็นเหตุให้เกิดนะ จิตจะวางสภาวะนะั้นจะรู้แจ้งในสภาวะนะั้นก็ผ่านไปหนึ่งตัวนะเนี่ก็ไปเรียนตัวอื่นต่อมีไม่มากมีร้อยห้าสิบตัวเองนะฮร้อยห้าสิบตัวนี้แจกแจงละเอียดนะถ้าอย่างหยาบหยามีเจ็ดสิบสองตัว น, ะนะกว่ามันจะแจ้งแต่ตัวแต่ละตัวแต่ละตัวมีลูกมีหลานนะที่เกิดสภาวะอย่างนี้ขึ้นมาสภาวะนี้คืออะไรอาจจะไม่มีชื่อก็ได้นะ สภาวะ x สมมติสภาวะ x หรือสภาวะ a ทำหน้าที่อะไรทำแล้วมีผลยังไงทำไมสภาวะ a นี่ถึงเกิดขึ้นจะแจ้งเป็นตัวตัวไปใจที่เดินพุทธภูมิก็จะเรียนอย่างนั้นจะไม่เรียนเหมือนสาวกนะสมาธิก็ต้องฝึกแต่ว่าถามว่าเราชาตินี้เราจะสร้างบารมีอะไร มีโอกาสสร้างบารมีอะไรก็สร้างบารมีนั้นแหละ mm hmm. ท่านไม่ได้มาเกิดโดยตั้งเป้าว่าชาตินี้จะมาสร้างบารมีตัวนี้ตัวอื่นไม่เอาไม่ใช่นะก็ mm hmm. ต้องฝึกของเราให้พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะทานศีลสมาธิปัญญาเนคข ม, มะก็ต้องฝึกขันติก็ต้องฝึกเมตตาก็ต้องฝึกสารพัด วิทยะเนี่ยเราสำรวจตัวเรานะสำรวจไปตัวไหนมีโอกาสทำก็ทำยังไม่มีโอกาสก็แล้วไปก็ทำตัวอื่นครับนะแต่ตัวที่ต้องทำทิ้งไม่ได้เลยคือสติเพราะความดีทั้งหลายถ้าขาดสติตัวเดียวก็ไม่เหลือแล้วนะงั้นมีสติไปเลยทุกวันทำสติปัฏฐาน หาใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่ง น, นั่งรู้สึกเนาสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อส่วนความดีอื่นมีโอกาสทําอะไรก็ทำมันนั้นไม่มีโอกาสก็ไม่ทําทําดีไม่ทําด้วยโ ง, โง่ๆทำด้วยงมงายทําด้วยโลภจะทําทดียังทําทานเนี่ยไม่ใช่บ้าทําทานอยู่ยๆไปเที่ยวแจกเงินเขาอันนั้นทําให้คนอ่อนแอมากขึ้น ไม่ได้เป็นผลบีค่อยดูนะแต่และเรื่องแต่และเรื่องสอนโพธิสัตว์กต้องสอนอย่างนี้เออมันเหมือนยิ่งเผาวนาเมันยิงนนย่งดือด้อขึ้นไปเรื่อยๆเขาตอนนี้มันมันตั้งหลักได้แล้วในเพศของคารวาดนะก็แค่ถือศีลห้าไปมันจเจริญสติไป ยังก็พัฒนาของมันไปตามลำดับเนาะคระวะ่าก็ทำได้อยู่พราะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับสอนหมดแล้ว <lu> กรบมน้ำมัสการ์ค่ะหลวงพออ่ อ, อนะตื่นเต้นอีละก็หนูรู้สึกว่าวันแรกที่หนูมากับคนนี้ไม่เหมือนกันเลย <c oughs> หนูเห็นบางสิ่งที่แบบหนูเข้าใจบางสิ่งที่แบบ ที่คิดว่าเอ้ยเราเข้าใจแต่จริงมันไม่ใช่ไม่คนละเรื่องค่ะพอหนูมาอยู่วัดหนูเข้าใจมากขึ้นหนูว่าหนูรู้ว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เราคิดว่าเราเราดูจิตอะมันไม่ใช่แล้วทาไมแบบแล้วทาไมครูบาอาจารย์ถึงบอกว่าทําไมต้องมีเครื่องอยู่ทําไมต้องมีพุทโธอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาเครื่องอยู่เพราะอะไรว่าแบบที่เราเห็นมันไม่ได้เห็นจริงแต่ณวันนี้ยหนูเห็นแล้วดี กับนมัสการหลวงพ่อค่ะโยมไม่ได้มานานแล้วอืก็มีอยู่วันนึงเห็นว่ามันว่างๆนะคะเอออย่าไปเอามันว่างก็ไม่เอาอย่าไปเอาถ้าติดว่างใจเฉยว่างๆอยู่นั้นว่างก็เป็นสมาธิอันหนึ่งนะดูไปเลยว่างก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าว่างกับจิตเนี่ยเป็นขัวละอันกันดูอย่างนี้นะ ใจไม่จะแยกออกมาไม่จะไม่ิปติดว่างสาธุกาบกลับขอบคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะกับ น, นมสัส ก, การหลวงพ่อครับโยมไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาประมาณปีครึ่งแล้วครับที่ผ่านมาไปประคองตัวรู้แล้วก็จงใจปฏิบัติมากเกินไปโยมว่าแต่ก่อนสักสองสปีก่อนเนี่ยมันไม่เข้าใจคือในจิตมันก็ลึกๆมันก็ยังคิดว่ามันจะต้องทามันต้องทาอยู่ ก็ค่อยๆใช้เวลาดูๆมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันมันทำใจที่จะแบบว่าดูรู้เฉยๆได้มากขึ้นนะครับก็หลวงพ่อมีอะไรจะต่อไปเราก็ดูมันไม่มีเราตรงไหนเลยแต่ไม่ใช่คิดเอานะครับดูไปเรื่อย ๆ, ๆขอบคุณครับกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะคือตอนนี้ก็สวดมนต์ไหว้พระทุกวันอยู่แล้วแล้วก็แต่มันฟุ้ ง, งซ่านนะคะหลวงพ่อไ ม, ไม่ห้าม ฟุ้งซ่านกับการเจริญปัญญาคาบเส้นกันนิดเดียวถ้ากลัวฟุ้งซ่านแล้วรักษาจิตไว้เนี่ยจะไม่เดินปัญญาเลยงั้นฟุ้งซ่านแล้วก็มีสติอยู่เห็นจิตมันฟุ้งซ่านฟุ้งไปแล้วก็ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงสุขบ้างปรุงทุกข์บ้างเห็นนั้นเรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่แต่ว่าคือมายเห็นมันก็ไม่หายแล้วหลวงไม่ได้ฝึกให้หายทุกให้รู้ไม่ใช่ทุกให้ละอยากละทุกข์เห็นไหม นี่ไม่ใช่ลูกศิษย์พุทธเจ้านะลูกศิษย์พุทธเจ้าให้รู้ทุกไม่ใช่ให้ละให้ละอะไรละอยากละสมุทัยเห็นไหมอยากละทุกเออให้รู้ทานอย่างนี้นะอย่างนี้ถึงจะเป็นลูกผพุทธเจ้ารู้จักคาว่าพุทโธยังเัวจิตนี่เองอ่ะนไมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นของมันเองนั่นแหละคือตัวพุทโธตัวจริงนะ อันนี้แหละที่ครูบาอาจารย์เคยสอนพบพระพุทธเจ้าแต่ว่าตัวเนี้เป็นพระพุทธเจ้าปลอมเราอาศัยตัวพุทโธตัวผู้รู้เนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามจอทั่งใจมันรู้แจ้งนะมันจะทิ้งรูปนามแถมมันทิ้งตัวพุทโธปลอมนี้อีกถ้าไม่จะเข้าถึงตัวธรรมะแท้เจนจิตแท่ทำแท่แตัวนี้ขนาดแค่พุทโธปลอมๆนี้นะยังสุขขนาดนี้เลย ถ้าวางได้แล้วจะขนาดไหนนี่โฆษณา <c oughs> จิตมันต้องมีความสุขนะมีความสุขของมันเองอไม่ได้ทำอะไรเลยนะนี่ยังไม่ถึงจิตยิ้มนะอ้จิตยิ้มมีอีกแบบหนึ่งสุขไปอีกแบบนะไม่เหมือนกันหรอกกลับนมัศการค่ะนุไม่ได้ส่งกันบ้านหลายปีแล้วค่ะ รู้สึกว่าหนูมันไม่ก้าวหน้าค่ะทําไมล่ะศีไม่ดีเหรอก็ดีขึ้นค่ะสีแล้วไม่ก้าวหน้ามันดีขึ้นจิตใจอยู่กันนืก็ตัวบ่อยขึ้นไหมค่ะบ่อยขึ้นค่ะโอ้นั่นเราดีขึ้น <c oughs> เห็นไหมว่ากายกับใจโคนละานกันเห็นไหมกายกับใจเป็นโคุละานกันหนูไม่เห็นเห็นไหมว่าความรู้สึกกับใจเขาคลุละอนกันค่ะทั้งนั้นดูจิตไม่ถนัดดูกายก็ดูจิตเอา ดูจิก็คือเห็นความรู้สึกทั้งหลายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปใจเป็นคนดูนะถ้าเห็นอยู่ก็เรียกว่าก้าวหน้าอยู่เห็นไหมคําบอกว่าหนูฝึกมาตั้งนานไม่ก้าวหน้านั้นไม่เป็นความจริงไปทําต่อไปคุณค่ะหนูมาที่ที่สวนสันติธรรมเนี่ยประมาณสามสี่รอบอนะคะก็ไม่เคยส่งกลับบ้านเลยแล้วก็ ตอนนี้สั่งมากๆาก อ, อ, อยากให้หลวงพ่อช่วยชีย้แนะะค่ะว่าดูกายก็ส่วนนึงใจก็ส่วนหนึ่งดูออกไหมก็ตอนนี้ปกติเคยเห็นไหมว่ากายกับใจคล่านกันเคยเคยเห็นค่ะแต่ว่าอตอนช่วงเนี้ยห่างห่างจากการฝึกอะค่ะต้องฝึกสิอย่าห่างนะมันขี้เกียจอ่ะไม่ไม่มีใครกล้าพูดคํานี้ต่อหน้าหลวงพ่อนะ บางอาจแต่ตอนนี้หนูจะพยายามออตั้งใจให้รื่นหน่อยต้องทำนะมันเหมือนไฟไหม้บ้านโอ้ยท้อใจขี้เกียจหนีอะไรเงี้ยไม่ได้อะต้องถูกไฟคลอกตายใครที่ไปอุ้มเธอไปค่ะก็ขอให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะอีกรอบไปดูนะว่าความรู้สึกทั้งหลายกระใจก็ควรละอันกันร่างกายกระใจนี่ก็ควรละอันดูอย่างที่บ่อยๆ ช่วงแรกรู้สึกดีมากหลังๆสึกแย่มากค่ะท่านรู้สึกทุกข์มากเวลาเราเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงเนี่ยรู้สึกแบบเหมือนวันนึงเลยค่ะท่านต้องทําเล่นๆทําเล่นๆเดินจงกรมนั่งสมาธิแค่เห็นร่างกายมันหายใจใหเห็นร่างกายมันเดินดูสบายๆเวลาเราเพราวนานะ่ยจะทำด้วยความหงุดหงิดใจ ภนาเล่นๆคิดว่าเราภาวนาบูชาพระพุทธเจ้าหายใจไปรู้สึกตัวไปสบายๆหายใจไปจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้หายใจไปจิตสงบก็รู้หายใจไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้หายใจแล้วก็รู้ทันจิตไปสบายๆฝึกให้สบายนะช่วงวันๆเนี่ยทำไม่ค่อยได้เลยค่ะท่านแต่หนูถามอีกนิดนึงค่ะคือหนูเนี่ยรู้ตัวว่าจะต้องผ่าตัด <ม>แล้วตอนแรกก็คิดว่าตัวเองตกใจมากแต่ว่าปรากฏว่าพอหมอบอกว่าผ่ามันเหมือนแบบจิตเรานิ่งๆเหมือนแข็งแรงแล้วก็เวลาหนูเจ็บหนูเอ็นฉีกหนูโดนดัดแขนเนี่ยหนูเจ็บแบบปางตาย<ม>หนูก็นึกถึงท่านแล้วหนูก็คิดว่าแบบคือต้องคิดนะคะท่านว่ากายไม่ใช่ของเรา<ม>อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถูกไหมคะท่านแล้วมันก็ถูกอะค่ถูกแบบสมถะมันใช้ความคิดใั้เป็นสมถะ สมถะก็ใช้ได้วิปัสสนาก็ใช้ได้มันเหมือนเรามีช้อนกับซ่อมน ะ, ะถึงเวลาจะใช้ช้อนถึงเวลาใช้ซ่อมมันต้อใช้ได้ขอข้อสุดท้ายค่ะคือหนูกลัวที่แคบมากค่ะท่านแล้วหนูเคยฟังซีดีท่านตอนเครื่องบินปิดที่จะลงในนี้หนูกลัวมากหนูคิดว่าจะช่วยได้ปรากฏก็ช่วยไม่ได้สุดท้ายหนูถอด ถอดผูท่านหมดเลยแล้วหนูก็นับเลขหนึ่งถึงร้อยเอาอะค่ะอันนี้คือเมื่อถอดผูเร า, ามันช่วยไม่ได้ค่ะท่านตอนนี้หนูจะถามท่านว่าความกลัวตรงนั้นนะ่ะหนูคิดว่าเวลาเราตายเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะแล้วจิตหนูมันจะไปไหนคือไอตอนนั้นมันยังไม่คิดว่าจะตาย<ะ>ถ้ามันรู้ว่าจะตายจริงนะจิมจะเข้มแข็ง ข, ขึ้นมามันจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่ง อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคะเออไม่เป็นอย่างนั้นท่านนี้หนูกลัวตรงนั้นหนูต้องดูยังไงให้มันดีขึ้นนะคะไม่ให้าดีกลัวรู้ว่ากลัวไม่ได้ฝึกเอาดีนะแต่ถ้ากลัวมากสติจะแตกแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปหรือคิดเอาเลยว่าร่างกายนี้เป็นของไม่แน่นอนเลยคิดไปเลยการคิดพิจารณานั้นก็เป็นสมถะสมถะก็ใช้ได้นะไม่ใช่ต้องทํำมิปรสนารวดเดี๋ยวเมื่อไหร่นะค่ะ สำหรับมรดการหลวงพ่อค่ะโยมก็เดินจงกรมแล้วก็พุทโธมาหลายปีมาหลายเดือนก่อนมากราบหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าก็ให้ไปดูว่าเวลาเห็นสภาวะอะไรแล้วเห็นจิตที่ยินดียินร้ายตามมาด้วยก็ส่วนมากก็จะเห็นว่ามันยินร้ายแล้วมันก็ไม่ชอบแล้วมันก็ทุกข์บางทีมันก็ทุกข์จนรู้สึกว่าเราเราทำอะไรกับมันไม่ได้เลยจัดการอะไรกับมันไม่ได้เลยแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่เอาแล้วจิตอันนี้แล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นตัวเราอีกเหมือนเดิมค่ะบางวันก็รู้สึกว่า ปฏิบัติไม่เป็นเลยรู้สึกว่าจิตนี่มันเป็นของที่แย่อะค่ะให้รู้ทันใจมันยินร้ายกับสภาวะนะมันยังยินร้ายดูออกไหมรู้ทันมันไปเรื่อยๆห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ว่ายินร้ายเรารู้ส่วนการภาวนาเนี่บางวันก็ดีบางวันก็เสื่อมเป็นธรรมดาเป็นทุกคนแหละครูบาอาจารย์ยังเคยเล่าเลยบางวันเหมือนมักผลอยู่ต่อหน้าบางวันเหมือนผลภาวนาไม่เป็นเป็นทุกคน แต่หนูค่อยรู้ทันใจที่มันยินร้ายนะโทรศัมันแทรกก็ก็คือโยอมยมก็รู้อันนี้ไปใช่ไหมคะที่มันยังมีโทรศัพมันชอบิที่เห็นค่ะแต่บางทีพอมันเห็นความยินร้ายมากๆเข้ามันก็เห็นว่าเอ๊ะนี่มันทำของมันเองใช่สุดดีใจนั่นแหละปัญญาละนะเห็นก็จะให้เห็นนะมันไม่ใช่เรามันเป็นอนัตตามันทําได้เอง เ่าน yeah. mm ้ำมศกาหลวงพ่อ hmm. ค yeah. mm ่ะไม่ได้ส่งกันบ้านนานสักสามเดือนที่แล้วโยมไปภาวนาแล้วก็โยมได้อุบายในการทําสมถะมันให้จิตมันมีกําลังมากขึ้นแล้วก็โยมไปภาวนาแล้วยมเดินท่องอิติปิโสแล้วจิตมันโล่งขึ้นมาแล้วเหมือนเหมือนมันไปเจอสภาวะที่มันเป็นกลางระหว่างการพักการเพียรหรือว่าการที่มัน เรียกว่าอะไรอัตตากิลมัฐานโย ก, กับกามสุ ข, ขาริการโยกค่ะเหมือนมันโพลงขึ้นมาว่าสภาวะตรงนี้แหละที่มันเป็นที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาแต่อย่าไปหามันนะคะถ้ามันหายไปก็อย่าไปเสียดายมันตอนนี้โยมก็ทำํำในรูปแบบทุกวันทําสมถะด้วยเช้าก่อนนอนแล้วก็จิตก็กมีกําลังแล้วก็มัน มันมีความสุขอะค่ะหลวงพ่อฝจิตมันมีความเป็นปกติเออต่อไปนี้เรามาดูร่างกายให้เยอะขึ้นนะคะมาแยกร่างกายเป็นส่วนๆค่ะถอดร่างกายเป็นชินช้นๆผมก็ส่วนหนึ่งเล็บฟันหนังเนื้เอเอ็นกระดูกหับมันแยกเป็นส่วนๆไปเรื่อยๆค่ะนะซ้อมเดินปัญญาค่ะไม่งนเดี๋ยวติดสมาธิอย่างเดียวไม่พอนะอแต่ตอนนี้ยมก็ เหมือนกับรู้สึกกายรู้สึกใจได้เรื่อยๆอย่างยอรู้สึกอย่างเดียวไม่พอค่ะจากมันถอดเป็นชิ้นๆเลยแยกร่างกายเป็นส่วนๆเลยตรงที่แยกร่างกายเป็นส่วนๆนี่เป็นอูบายเพื่อจะให้จิตเนี่ยไม่อยู่นิ่งเฉยไม่ติดนิ่งค่ะอย่างเราเห็นอารมณ์ภายในเกิดดับนะแต่ตัวเนี้ยมันนิ่งๆอยู่เห็นนิ่งอย่างนี้นะไม่เดินตัญญานะค่ะตัวนี้มันนิ่ง ยมใช้วิธีไล่กระดูกได้ไหมคะไดออไ้ไล่ไล่นะนอย่าให้มันอยู่เฉยถ้าจะให้ดีกว่านะั้นนะฉีกมันเป็นชิ้นๆเลยค่ะแขนไปท่อนหนึ่งขาไปท่อนนึงเนะยหกักนิ้วหักเลยนะกำหนดฉีกมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยเออนะกราบขอบพระคุณค่ะกราบมาสัส ก, การหลวงพ่อค่ะหนูส่งกันบ้านเป็นครั้งแรกเลยแต่ว่าติดตามธรรมะของพ่อมาตลอดนะคะ ได้พบความเปลี่ยนแปลงมากๆเนี่ยมเมื่อปี55ข5 5 5เนื่องจากเป็นคนที่ในชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะมีทุกข์น้อยอด้วยเหตุปัจจัยต่างๆที่มันนำพามาเองนะคะในปี55มีการเสียเพื่อนรักไปจากอุบัติเหตุตอนนั้นนี่คือจิตนี่คืออยู่ในภาวะที่ตกต่ำมากคือหลวงพ่อเคยฟังซีดีหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อพูดถึงว่าจิตเหมือนซอมบี้นะจุดตอนนั้นนี่ก็คือรู้สึก รู้สึกแบบนั้นมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ะคะ่ะแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆจนหลังจากเขาเสียได้ประมาณเจ็ดหรือเก้าวันเนี่ยก็พบว่าเวทนาทุกข์กับจิตนั้นแยกกัน<อ>จิตสว่างโปร่งสดใสแต่<อ>ทุกข์นั้นยังอยู่แต่อยู่ต่างหากา ก, <อ>กันก็รู้สึกว่า น, นี่เป็นความพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองจากนั้นก็ได้ตามดูเนืองๆก็จะพบว่ากายกับจิตคนส่วนวัฒ น, นากับจิตคนส่วนอยู่นึองๆแต่ไม่ตลอดนะคะแต่ว่าสิ่งที่หนูไม่ได้เลยก็คือไม่สามารถคิดว่าละสักกายาทิฐิสักแม้เสี่ยววินาทีเดียวก็ไม่เคยเห็ น, นะคะ่ะไม่ทราบว่าหนูจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างปฏิบัติอย่างนี้แหละหรือมีเหตุปัใจจัยใดยที่จะทําให้ไปในถูกทางหรือรัชสั้นลงมันต้องทําให้พอ แค่นี้สั้นที่สุดแล้วเส้นนีุ้ <สา S 1> เราเข้ามาเผชิญหน้าความจริงของรูปของนามแล้วเนี่ยเส้นสั้นที่สุดแล้วค่ะงั้นห น, น, นขูขอขมีห่วงอยู่อย่างใหญ่หลวงอยู่หนักหนึ่งนะคะก็คือห่วงยมพ่อกับยมแม่ซึ่งเป็นคนที่เกิดมาในลนักษณะเดียวกันคือทุกน้อยออไม่แทบจะไม่ทุกเลยในในทุกทุกสภาวะเจ็บป่วยหรือว่าในเรื่องชีวิตประจําวันท่านท่านถึงในทานและศีลมาตลอดแต่ท่านไม่สนใจในสายวิปัสสนาเลย หนูในฐานะลูกไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรที่จะเชื้อเชิญหรือชักชวนท่านให้มาอยู่สายนี้เพื่อจะให้ท่านพ้นทุกข์ในที่สุดคะ่ะต้องทำให้ดูนะสอนพ่อสอนแม่เนี่ยสอนด้วยคำพูดไม่ได้หรอกเราพอวนาเราเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูหรือทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะเปิดซีดีหลวงพ่อไปบ้างอะไรบ้างนะให้ฟังโดยไม่ทันตั้งตัวต้ก็แบบค่อ ย, อยๆแทรกซึมสาธุ<ส>าค่ะ นี่คนมีบุญนะชีวิตมีแต่ความสุขความสุขแล้วยังภาวนาเนี่ยเก่งนะดีที่เพื่อนตายนะ <c oughs> <c oughs> เราถึงได้ภาวนาขนาดนี้เนี่ยได้บุญนะได้บุญแล้นึกอุทิศให้เขาเลยเธอเป็นเหตุปัจจัยทำให้ฉันได้ภาวนาขนาดนี้ค่ะ กรามนมสัส ก, การเจ้าค่ะหลวงพ่อก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ใจมันอ่อนเปลียวเพียแรงบบไม่ไม่เข้าฐานนะคะเพราะว่าตามใจกิเลสมากเกินไปใช่ป่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำสมถไมะไหมคะก็ทำสซะซิแล้วท่านมีอะไรแนะนาเพิ่มเติมทำกรรมฐานต้องทำทุกวันนะสมาธิอะไรนย่างี้ทำได้ทุกวันยิ่งดี ถึงเวลาก็ปฏิบัติแบ่งเวลาไว้เลยถ้าเวลานั้นทําไม่ได้ก็ชดเชยไปทําแต่ต้องทําให้ได้ถ้าเราทําอย่างสม่ําเสมอไปถึงช่วงหนึ่งนะจิตเราจะเข้มแข็งนะจะมีกําลังทําบ้างหยุดบ้างจะไม่มีแรงแต่เวลาตั้งใจว่าจะทำํำน้นทำนี่เนะี่ยอย่าตั้งใจเยอะเกินให้ตั้งใจแบบลําบากนิดหน่อยพอไม่ต้องลําบากเยอะนะเช่นทุกวันจะเดินจกกงกรมวันห้าชั่วโมงอนะไรเงี้ยทําไม่ได้จริงเนะีใจจะฟอ ถือว่าเราเดินได้15นาทีเราก็ตั้งใจจะเดินสักยีนาทีอะไรเงี้ยตั้งใจอย่างนี้พอเราทำสำเร็จนะใจจะค่อยเข้มแข็งขึ้นนะทนความดีต้องทำนะสมาธิมีเวลาก็ทำไม่ทิ้งถ้าทิ้งแล้วไม่มีแรงค่ะกราบในมาสการเจ้าค่ะหลวงพ่อมาส่งกันบ้านสองปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ดูกายหรือดูจิตอันไหนชัดก็เอาอันนั้นแต่ ปกติที่ภาวนาะผ่านมาเนี่ยมันมักจะไปดูที่จิตมากกว่าเพราะว่าเป็นคนที่ติดคิดอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ว่าช่วงระยะหลังๆนี่คือมันจะมีภาวะที่ฟุ้งซ่านกับกังวลกับหดหู่สลับกันตลอดจนมันเหมือนกําลังไม่พอเจค่ะไม่รู้จะทําต่ออย่างไรไม่พอเราก็มาดูร่างกายบ้างนะเห็นหน้ากายหายใจออกหายใจเข้าอะไรเงี้ยรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆไปไมันได้กําลังนะ ดู <Okay. S 1> จิตอย่างเดียววันทีแรงไม่พอเหมือนกัน ม, มันต้องทําสมถะเหมือนกันแหละแต่สมถะที่ง่ายๆก็คือดูร่างกายเจ้ค่ะแต่เป็นคนทําสมถะไม่ค่อยได้เหมือนกันสิคาา่มันจะหลับเคลิมหลับเจ้า่ะเคลมหลับเนี่ยเป็นปกติสําหรับคนฟุ้งซ่านนะถ้าเราฟุ้งซ่านเก่งเวลาเราทําสมาธิผู้บมหลับปับ๊บเลยเพราะจิตมันต้องการพัก ขอหนูถ้าจะทําสมถะนะหนูดูร่างกายไหมเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆด้วยใจที่สบายๆไม่ดูใจรักนะแค่เห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆเห็นอะไรเห็นร่างกายไม่ดูใจรักอย่างเนี้ใจจะได้พักผ่อนเป็นสมถะเจ้าค่ะเพราะที่ผ่านมาบางทีเห็นมันเกิดดับบ่อยไวมากแล้วมันเหนื่อยเจ้าค่ะนั่แหละมันไม่มีแรงหนูลองดูซิเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูลมหายใจนะ เห็นร่างกายเห็นตัวนี้หายใจออกเห็นตัวนี้หายใจเข้าคือตอนนี้ตั้งใจจะเป็นวิทยากรอบรมในองค์กรเจ้าค่ะแล้วทีนี้ก็คืออยากจะสอนอะไรที่มันต่างจากกระแสหลักบ้างที่แบบชอบสอนเรื่องคิดบวกอะไรที่ใช้ความคิดอะคะ่ะคืออยากจะเน้นสอนแทรกเรื่องสติลงไปบ้างแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพไม่ทราบว่าทําได้ไหมเจ้าค่ะได้สิถ้าไม่มีสติมันก็คิดบวกไม่ได้หรอกมันก็คิดลบตลอดแหละ <laughs> ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะคิดบวกนะมันก็ทําให้มีความสุขสแต่ถ้ามองโลกาตามความเป็นจริงจะพ้นทุกข์นะถ้ามองโลกแง่ดีไม้มีความสุขถ้ามองโลกตรงตามความเป็นจริงจะพ้นทุกข์คนละชั้นกันนะเจ้าค่ะนมัสการหลวงพ่อครับคื อ, อมผมมาครั้งแรกแล้วครับอยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อครับรู้สึกไหมกากระใจโค่น รู้สึกครับแล้วสุข helmet, ทุกข์ดีชั่วกับใจเ้าควรละอันดูได้ไหมยังยังดูไหมถ้าเั้ดดูกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไปเรื่อยเร่ร่างกายหายใจออกไม่ใช่เราหายใจออกร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจเข้าสอนมันเป็นระยะระยะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนแล้วก็นึกสอนมันเป็นระยะระยะร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจ นั่งกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนสอนมนันนิดหน่อยนะอันนี้เป็นอุบายนะเพื่อให้จิตเดินปัญญานะกราบมนมรส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะคือหนูมีเรื่องสงสัยว่าคือหนูเป็นคนฉลาดน้อยอะค่ะก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าถ้าหนูไม่รู้ไม่เข้าใจเลยเรื่องการแยกกายแยกจิตการแสดงกายรักเนี่ยค่ะแล้วหนูจะบรรลุไหมคะบรรลุ ไม่จําเป็นต้องรู้อะไรมากหรอกนะหนูเห็นไหมตัวอะไรมันยิ้มอยู่ตัวอะไรมันหัวเราะอยู่มันแยกอยู่แล้วมันแยกอยู่แล้วแต่เรียกไม่เป็นนั่นก็ไม่เป็นไรต่อไปเวลาความสุขความทุกข์มาก็เห็นนะมีความสุขก็รู้ความสุขหายไปก็รู้มีความทุกข์มีความทุกข์หายไปก็รู้อะไรเี้ยรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วคือ ครั้งหลังนี้ค่ะหนูไม่แน่ใจว่าเป็นการแสดงใจรักหรือเปล่าเห็นอความโกรธมันวิ่งเหมือนหนูวิ่งอะค่ะอืมถูกมันวิ่งแบบเร็วๆอะค่ะใชทีนี้หลังจากเห็นครั้งนี้แล้วก็เนี่ยคนพูดไม่เป็นนะเวลาส่งกันบ้านหน้าฟังนะมันไม่มีมารยาเหมือนเด็กๆอะเวลาส่งกันบ้านอะน้าฟังอ้าวเวลาความโกรธเหมือนหนูวิ่งแล้ ว, ลวไงอีก แล้วก็ก็เห็นแล้วค่ะเห็นมันเหมือนหนูวิ่งแล้วก็หลังจากนั้นรู้สึกว่าตัวเองหมดแรงต้องเริ่มต้นใหม่ค่ะโอ้โหหนูวิ่งเร็วไปหมดแรงก็หมดแรงก็เริ่มต้นอใหม่ก็ถูกแล้วค่ะเรารู้สึกว่าเวลาที่มันเห็นอะไรพวกนี้แล้วมันรู้สึกเราต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆค่ะดีแล้วเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งนะค่ะทุกวันนี้ต้องเริ่มต้นใหม่อย่าไปต่อของเก่าถูกต้องแล้วค่ะ แล้วก็หนูยังไม่เคยมีการบ้านเลยค่ะหลวงพ่อหนูก็ไปดูหนูวิ่งไปวิ่งมานะเห็นหนูวิ่งไปวิ่งมาหนูรู้สึกไหยหนูมันวิ่งได้เองค่ะเห็นเห็นเห็นมันวิ่งเห็นมันทาได้เองมันเป็นไปเองเราไม่ได้สั่งเลยนะมันวิ่งไปวิ่งมาได้เองนั่นแหละรู้ไปเรื่อยรู้ไปได้วยใจสบายๆพอเหนื่อยก็พักพอมีแรงก็ดูอีกค่นะ ข, ขอบคุณค่ะ เรังจิตเขาถามว่าเขาภาวนาแล้วเขาเห็นจิตที่ส่งออกไปคิดอืพภาวนาอย่างนั้นแหละจิตมันจะมีพลังนะแล้วสมาธิมันจะเกิดมันรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปนะจิตก็ตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนาตรงที่ตั้งอยู่โดยไม่ได้บังคับไว้ไม่ได้จงใจบังคับเนี่ยเป็นสมาธิที่ดีนี้พอจิตมันตั้งมั่นแล้วต่อไปเราก็ดูจะดูกายหรือดูจิตก็ได้ให้เห็นว่า จิตมันเป็นแค่คนดูเราไม่ไปรักษามั น, นเห็นร่างกายทำงานเห็นความสุขทุกข์ดีชั่วหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเห็นใจหนีไปคิดอีกเลยเนยะดูเข้าทำงานไปเรื่อยๆไม่รักษาต้องไม่รักษาไว้ถ้ารักษาแล้วมันจะไปเพ่งนวัตการค่ะหลวงพ่ อ, อหนูก็ดูไปทุกวัน นึกขึ้นได้ก็ดูแล้วก็เท่านี้ค่ะสบายใจก็รู้ไม่สบายใจก็รู้นะรู้ทันใจของเราไปเรื่อยๆใจมีความสุขก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้ใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ดูเล่นๆขอบคุณค่ะ